เห็นชื่อวักและขำเลชัดจันท่าเนีนชัดจันท่าเนี่ยแปลว่าทั้งบอดทั้งโง่โดยศักดิ์นะแปลว่าทั้งอชัดจันยนแปลว่าโง่แปลว่าแปลว่าบอดอันทะาแปลว่าโง่อันตาพาเนี่ยนะทั้งแปลว่าทั้งบอดทั้งขาวทั้งโง่อะไรอยู่นั่นแหะครับมาขึ้น ข้อความในคุตกานิกายอุทานวักที่หอายุสมะโอสัจชนะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะกูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเฟสาลีครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนคนะรนคนเวสาลีครั้นเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครเวสาลีกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดแล้วตรัสเรียกท่านพระนนทว่าดูก่อนอนนท์เธอจงถือผ้านิสีธนะเราจะเข้าไปยังตาวานเจดีเพื่อพักกลางวันท่านพระนนทุนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ถือผ้านิสีธนะติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปข้างหลังไปข้างหลังลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังปาวานเจดีประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอนุนจัดถวายครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านท่านอนว่าดูก่อนอนุ์พระนครเวสาลีเนี่ยน่ารื่นรมอุเทนเจดีนี่น่ารื่นรมโคตมะกะเจดีน่ารื่นรม สัตตมภะเจดีน่ารื่นรมพรหุปุตตะเจดีน่ารื่นรมสารัมทะเจดีน่ารื่นรมปาวานเจดีน่ารื่นรมดูก่อนอ น, อนุนอิทธิบาทสี่ประการท่านผู้ใดผู้หนึ่งได้เจริญแล้วทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นจุดยานให้เป็นที่ตั้งนะมั่นคงแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วท่านผู้นั้นหวังอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับ ตลอดหนึ่งกลับหรือว่าเกินกว่ากลับดูก่อนอนลอนิทธิบาสีประการตถาคตได้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานให้เป็นที่ตั้งมั่นคงแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วตถาคตหวังอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินกว่ากลับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทานิมิตอันแจ้งชัดกระทาโอภาษ คือแสงสว่างอันแจ้งชัดถึงอย่างนี้ท่านพระนลก็ไม่สามารถจะรู้ไม่ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงส่งดำรงอยู่ตลอดกับเถิดขอพระสุคตทรงดำรงอยู่ตลอดกับเถิทท ด, ด, เ, ดเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำไมพระนนไม่ไม่รู้และไม่วิงวอนก็เพราะถูกมานเข้าโดนจิตเนี่ยนะมีคำถามว่าพระนรนนี้ถูกมานเข้าโดนจิตอย่างไร ในอัตกถ า, ามีแก่ว่าเนื่องจากพระนนเนละวิปลาสไม่ได้เมื่อพระนนละวิปลาสบางอย่างไม่ได้มารก็เลยแสดงอารมณ์ที่น่ากลัวหรือให้ได้ยินเสียงที่น่ากลัว <c oughs> เมื่อได้เห็นได้ยินเสียงที่น่ากลัวก็ลืมสติอ้าปากมารก็สอดเข้าไปในทางปาก แล้วก็บีบหัวใจทำให้สัต์นิสรบลงอันนี้พูดถึงโดยมากนะส่วนมารจักสอดมือเข้าไปในปากของพระเทเรได้อย่างไรได้แต่แสดงอารมณ์ที่น่ากลัวพระเทระได้เห็นดังนั้นแล้วจึงไม่รู้แจ้งนิมิตโอภาษนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบอยู่แล้วเพื่อประโยชน์อะไรจึงเรียกกับแสดงกับพระนอนอย่างนั้นถึงสามครั้งคือต่อไปข้างหน้าเพื่อจะกระทาความเศร้าโศกให้เบาบาง โดยยกโทษขึ้นว่าข้อนั้นเป็นการทำไม่ดีของท่านข้อนั้นเป็นความผิดของท่านในเมื่อท่านอ้อนวอนว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระทนอยู่เถิดพระเจ้าข้าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าอนน์นี้มีใจสนิทในเราอย่างเหลือเกินต่อไปข้างหน้าเธอได้ฟังเหตุเพียงแผ่นดินไหวและการป r งอายุสังขารจากอาราธนาให้เราดารงอยู่ตลอดกาลนานเมื่อเป็นเช่นนั้น เราจักให้โทษตกลงบนศีรษะของเธอเท่านั้นว่าเพราะอะไรเธอจึงไม่ขอเสียก่อนเราก็เพราะโทษของตนสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เดือดร้อนเช่นนั้นเพราะเหตุ น, นั้นความเศร้าโศกของเธอก็จกเบาบางนะอันนี้เป็นปกติของสัตว์โลกนะมาดูเนื้อความในพระสูตรต่ออีกว่าพระพุทธเจ้านีแสดงนิมิตโอภาษคือการตรัสแบบนั้นครั้งที่สองครั้งที่สาม แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตัดได้ตรัสกับท่านพระอนท์ว่าดูก่อนอ น, นุน์พระนครเวสาลีหน้ารื่นรมอุเทนเจดีหน้ารื่นรมโคตมกะเจดีหน้ารื่นรมสัตตมภเจดีหน้ารื่นรมพระหุปุตตะเจดีหน้ารื่นรมสารันทะเจดีหน้ารื่นรมปาวานเจดีหน้ารื่นรมดูก่อนอนุนอิทิบาทสี่ประการท่านผู้ใดผู้หนึ่งได้เจริญแล้วทำให้มากแล้ว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 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทํานิมิตอันแจ้งชัดกระทําโอภาษอันแจ้งชัดถึงอย่างไหนท่านพระอานนท์ก็ไม่สามารถจะรู้ไม่ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดํารงอยู่ตลอดกับเถิดขอพระสุคต ท, ทรงดํารงอยู่ตลอดกับเถิด เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ขอร้องที่ไม่นิมนต์ไม่อ้อนวอนก็เพราะถูกมานเข้าดลจิต <c oughs> ลําดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระอา น, นุ์ว่าดูก่อนอ น, นุนเธอจงไปเถิด เธอสำคัญกาละอันสมควรในบัดนี้เถิดท่านพระนนท์ก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระนนท์ก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักศิลแล้วนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าลําดับนั้นแลเมื่อท่านพระนน์หลีกไปแล้วไม่นานมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วมานได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานเถิดขอพระสุคตเจ้าเสด็จปรินิพานเถิดพระพุทธเจ้าก็ขอพระนนท้าพระนนท์เข้าใจเนื้อความพระนนท์ก็ขอให้อยู่ใช่ไหมพญามารบอกรีบเถิดพระเจ้าข้าอย่างนั้น ลักษณะแบบนิมนต์ให้ปรินิพานส่งเลยอย่าชักช้าเลยอย่างนั้นนะเนี่ยลักษณะมารเขาคิดแบบนี้แหละเพราะว่ามาร น, นี้โดยสารก็คือผู้ฆ่าผู้ฆ่าให้ตายจากคุณงามความดีบัดนี้เป็นกาละอันควรปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญ น, นะก็อาราธนาเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ไว้ว่าคือสมัยแรกตรัสรู้ใหม่ๆนี่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนมานผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเรายังไม่ฉลาดไม่ได้รับแนะนำไม่ถึงความแก่กล้ายังไม่ถึงความเกษมจากโยคะยังไม่เป็นพหูสูตรยังไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติรมตามธรรม อนะนไม่ประพฤติตามธรรมไม่เรียนอจริยวาทของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายแสดงธรรมมีปาฏิหารย่ำยีด้วยดีซึ่งปรัประว่าที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรมไม่ได้เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัดนี้ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ฉลาดได้รับแนะนําแล้วถึงความเป็นผู้แกล้งกล้าถึงความเกษมจากโยคะเป็นหูสูตรทรงทำปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเรียนอาจาริยว่าของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกกระทําให้ง่ายย่อมแสดงธรรมะมีปาฏิหารย่ำยีด้วยดียดซึ่งปรัปปว่าที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรมข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ บัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานเถิดขอพระสุคตเจ้าเสด็จปรินิพานเถิดบัดนี้เป็นกาลควรปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นนะก็กราบทูลต่อไปว่าพระองค์เนี่ยได้เคยตรัสพระดํารัสนี้ไว้ว่าตรัสตอนที่และตรัสรู้ใหม่ๆอ่ะนะดูก่อนมานผู้มีบาปภิกษุณีสาวิกาของเรา ข้อความกละอุบาสกสาวกของเราข้อความกละอุบาสิกาสาวกของเราจักยังเป็นผู้ไม่ฉลาดไม่ได้รับแนะนำดีแล้วยังไม่ถึงความกล้าๆยังไม่ถึงความเกรเมจากโยคะไม่ทรงธรรมไม่เป็นพหูสูตรยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยังไม่ประพฤติตามธรรมไม่เรียนอจริยวาทของตนแล้ว บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกจักกระทาให้ง่ายแสดงธรรมมีปาฏิหารย่ำยีด้วยดีซึ่งประประว่าที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรมยังไม่ได้เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นแต่บัดนี้ล่ะเป็นไงสมัยพุทธกาลที่พระองค์ตอนนั้นนะนะบัดนี้อุบาสิกาสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ฉลาด ได้รับแนะนําดีแล้วถึงความแกล้วกล้าถึงความกเกษมจากโยคะทรงคําเป็นพหูสูตรปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเรียนอจเริยวาทของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกกระทําให้ง่ายแสดงธรรมมีปาฏิหารย่ายีด้วยดีซึ่งประภาวะที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรมข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานเถิด ขอพระสุคตเจ้าปรินิพานเถิดบัดนี้เป็นกาลควรปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> แต่ก็มีเหตุผลอันหนึ่งที่อาราธนาให้ปริ น, นิพานอีกนะอ า, อาศัยเหตุผลสี่ประการใช่ไหมว่าสมควรปรินิพานเหตุผลที่ห้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดํารัตนี้ไว้ว่า ดูก่อนมานผู้มีบาป พ, พรหมจันท์ของเรานี้ยังจักยังไม่เจริญแพร่หลายกว้างขวางคนส่วนมากยังไม่รู้ทั่วถึงยังไม่แน่นหนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังประกาศไม่ดีแล้วเพียงใดเราจากยังไม่ป ร, รินิพานเพียงนั้นบัดนี้พรหมจันร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญแพร่หลายกว้างขวางคนส่วนมากรู้ทั่วถึงแน่นหนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศดีแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานเถิดขอพระสุคตเจ้าเสด็จปรินิพานเถิดบัตรนี้เป็นกาละควรปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าหาประการ น, นะหนึ่งภิกษุสองภิกษุณีสาอุบาสกสีอุบาสิกามีความฉลาดได้รับการแนะนําดีแล้วถึงความก ล, กล้ากล้าใช่ไหม ถึงความกเกษมจากโยคะเป็นต้นคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในการช่วยประกาศพระธรรมเป็นต้นแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือพรหมจรรย์ถึงความแพร่หลายหมายถึงอธิศีนอธิจิตอธิปัญญานั้นถึงความแพร่หลายมันเมื่ อ, อ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีความรู้มีความสามารถและพรหมจรรย์ก็แพร่หลายแล้วเพราะฉะนั้นสมควรปรินิพานนั่นเมื่อมานกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ก, กะมานผู้มีบาปนั้นว่าดูก่อนมานผู้มีบาปท่านจงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดไม่นานนักตถาคตจักปรินิพานแต่นี้ล่วงไปสามเดือนตถาคตจับปรินิพาน <c oughs> อดทนรอหน่อยก็แล้วกันอีกสามเดือนเหมือนกันครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระสติสัมปชัญญะทรงปรงอายุสังขารณนะปาวานเจดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรงอายุสังขารแล้วแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่หญวันไหวหน้าพึงกลัวโลมาชาติชูชันและกรองทิพกบะลอลั่น ลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่ามูนีได้ปรงเครื่องปรุงแต่งพบอันเป็นเหตุสมพบทั้งที่ช่างได้และช่างไม่ได้ยินดีแล้วในภายในมีจิตตั้งมั่นได้ทำลายกิเลส ท, ที่เกิดในตนเหมือนทหารทำลายเกราะฉะนั้นนะพระ อ, องค์ก็ปีติสมณะนะที่ได้ปรงมายุสังขาร <c oughs> ลองมาศึกษาอัตถกาถาโดยลำดับมนะมีเนื้อหาทำให้เข้าใจเพราะว่าข้อความอันนี้เนี่ยมีอยู่ในมหาปริณิพานสูตรก็มีนะถ้าใครได้อ่านมหาปริณิพานสูตรก็จะมีข้อความดังที่กล่าวไปเนี่ยก็คัดย่อเอาส่วนหนึ่งเฉพาะส่วนที่เป็นอุทานสาเหตุก่อนที่พระองค์จะอุทานมากล่าวไว้ในคำพีอุทานแต่เพียงโดยย่อส่วนพิสดารอยู่ในมหาปริณิพานสูตรทีคนิกาย มหาวัตความพิสดารมีอยู่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษาณนะเวลุวะคามแล้วเสด็จออกจากเวลุวะคามนั้นถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้วก็ประทับอยู่ในพระเชตวันเหตุผลอันหนึ่งที่พระองค์จำพรรษาสุดท้ายที่เมืองภัยาลีเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเตรียมจะยกกองทัพไปปราบพวกกษัตริย์ภัาลีอยู่แล้ว การที่พระองค์ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยชะลอสงครามขณะเดียวกันผู้ที่มีบุญวาสนาอุปนิสัยควรจากการบรรลุมรรคผลก็จะได้ฟังธรรมแล้วบรรลุมรรคผลด้วยเหตุผลหลายประการพระองค์ก็จำพรรษาอยู่ที่เมืองไพราลีหลังจากที่พระองค์เสด็จจำพรรษาแล้วออกพรรษาก็ไปไปไหนไปกรุงสาวัตถี ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันในการนั้นพระธรรมเสนาบดีตรวจดูอายุสังขารของตนก็รู้ว่าจักเป็นไปได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นจึงขออนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังนาละกะคามให้มารดาดํารงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วปรินิพานณนะที่นั้นในที่ที่ท่านปรินิพานในที่ที่ท่านคลอดนั่นแหละนะซึ่งเราก็ได้ไป บูชากันมาไปหมผ้าประทักศินเป็นบูชาพระสารีบุตรพระศาสดาทรงถือเอาพระาธาตุของพระธรรมเสนาบดีที่พระจุนทะนำมาแล้วก็สร้างเจดีย์เป็นที่บรรจุพระาธาตุแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงหมูใหญ่ได้เสด็จไปยังกรุงราชครึกนะสมัยนั้นเนี่ยพระองค์มีพระชนมายุ80นี่พระองค์ก็ยังจาริกนะเดินทางไกลไกลถือว่าไกลามาก ในการเสด็จไปยังกรุงราชเจนครัน้นท่านพระมหาโมคขลานะก็ปรินิพานพระผู้มีพระภาคก้าวกระถือเอาพระธาตุของท่านพระมหาโมคขลานะแม้นั้นแล้วให้สร้างเป็นเจดีแล้วก็เสด็จออกจากกรุงราชเครื่เสด็จไปยังอุ ก, กาเจระวิหารตามลําดับในที่นั้นก็แวดล้อมไปด้วยภิกษุสงอ์ประทับนั่ง ณนะฝั่งแม่น้ำคงคาแสดงธรรมะอันเกี่ยวเนื่องด้วยปริณิพานของพระอัครสาวกทั้งสองอนนก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นหักโค่นลงั น, น, นเพราะภาษารีบุตรนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสาระในพระศาสนาพระองค์ออกจากอกกาเจรวิหารแล้วก็เสด็จไปยังกรุงสุะเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปอย่างนั้นท่านจึงกล่าวว่าในเวลาเช้าพระองค์ทร ง, งนุ่งแล้วถือบาดและจีวรเสด็จไปบิณฑบาตณนะกรุงเวสาลีพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนที่ปาวานเจดีคำว่าปาวานเจดีเหล่านี้เนี่ยนะสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรูน้นี้เป็นที่ที่ยักษ์ชื่อว่าปาวานอาศัยอยู่ สมัยที่พระองค์ตรัสรู้เขาก็สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะที่นั้นก็เลยเรียกว่าปาวานเจดีบทว่าสัตตมพังความว่าได้ยินว่าราชกุมารีเจ็พระองค์พระธิดาของพระเจ้ากาสีทรงพระนาว่ากิกิเกิดความสังเวชเสด็จออกจากกรุงราชครึกเริ่มตั้งความเพียรในที่ใดในที่นั้นชนทั้งหลายพากันเรียกว่าสัตตมพระเจดี สัตตมพระเจดีคือราชกุมารีของพระเจ้ากิงเกก็มีใครบ้างมีนางวิสาขาเป็นต้นนะนะในอดีตชาติะนะนางวิสาขาพนางมหามายาพนางโคตบีธรรมทินนาเทรีเป็นต้นนะนะท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ประพฤติโกมารีพรหมจรรย์และก็เป็นผู้ที่สลดสังเวชในวัดตะ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเจดีก็เอาไว้ก่อนนะที่กล่าวว่าอิทธิบาทเนี่ยนะอิทธิบาทที่เรียกว่าเป็นบาทของฤทธิ์ที่ผู้ใดเจริญแล้วทําบ่อยๆทําให้เป็นดุจยานที่เทียมแล้วทําให้เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งอาศัยตั้งมั่นดีแล้วสั่งสมด้วยดีเจริญด้วยดีปรารบด้วยดีให้สําเร็จอันนี้หมายความว่าผู้ใดที่มีความชํานาญเจริญอิทธิบาทดังกล่าวแล้วเนี่ยนะ มีความประสงค์จะอยู่ชั่วอายุกลับหรือเกินกว่าอายุกลับก็ได้กับปังก็คืออายุกลับะนะเช่นว่าสมัยพุทธ ก, การควรจะมีอายุเท่าไหร่ดีพุทธ ก, การก็ถือว่าร้อยปีเนี่ยนะบทว่าติดถยะได้แก่พึงดำรงอยู่คือพึงทรงไว้ซึ่งประมาณแห่งอายุของมนุษย์ในกาลนั้นให้บริบูรณ์คือกว่าร้อยปีหรือยิ่งกว่าร้อยปีก็ได้พระมหาสิวะเีระกล่าวว่า ขึ้นเชื่อว่าเสียงอันกระหึมในที่อันไม่ควรย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนอย่างว่าทรงข่มเวทนาปางตายที่เกิดขึ้นในเวลุวะคามตลอดสิเดือนฉันใดก็ทรงเข้าสมาบัตินั้นบ่อยๆแล้วข่มไว้ได้ถึงสิบเดือนพึ่งดํารงอยู่ตลอดพัทธกับนี้ได้ฉันนั้นจริงๆอย่าว่าแค่อายุร้อยี่สิบปีเลยพระองค์อยู่ได้ตลอดพัทธกับนันะ่นแหละอยู่จนถึงเรียกว่าจนสิ้นกับนี้พระองค์ก็อยู่ได้ ตั้งคำถามว่าเพราะเฮไรจึงไม่ทรงดำรงอยู่ตอบว่าเพราะขึ้นชื่อว่าร่างกายอันมีใจครองถูกทุกขเวทนามีฟันหักเป็นต้นเข้าครอบงำอันนี้ปกติใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าพราะองค์ก็ยังต้องชราฟันหลุดเป็นต้นนะั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติของสังขารที่มีใจครองเพรนการดำรงอยู่ยาวๆงามไหมไม่งามะนะส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ถึงภาวะแห่งทุกขเวทนา มีฟันหักเป็นต้นย่อมปรินิพานเฉพาะในเวลาที่ชนเป็นอันมากพากันรักใคร่ชอบใจในส่วนแห่งพระชนมายุส่วนที่ห้าคือดํารงอยู่สส่วนนะนะจะปรินิพานในส่วนเกาะส่วนที่ห้าเมื่อพระอนคราสาวกและพระมหาสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วจะพึงดํารงอยู่พระองค์เดียวเนี่ยไม่มีบริวาร หรือมีเฉพาะภิกษุหนุมและสัมมเนนเป็นบริวารก็ตามต่อแต่นั้นก็พึงถึงความเป็นผู้ถูกดูหมินว่าน่าสลดใจบริษัทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกคนจะสังเวชหมดสมมติถ้าพระองค์มีพระชนจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะมีภิกษุในยุคนี้เป็นบริวารเนี่ยคนจะสงสารพระพุทธเจ้าขนาดไหนใช่ไหมเพราะว่ารุ่นที่มีแก่นไปนิพพานหมดแล้วก็เหลือแต่ต้นไม้แบบกลุ่มดอกอ้อทั้งหลายเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะนจะ คนก็จะดูหมิ่นพระพุทธเจ้าได้นะเหตุผลเยอะมากนะสรุปว่าปรินิพพานนี่ถือว่าสมควรที่สุดแล้วไม่สมควรโดยประการทั้งปวงที่จะดำรงอยู่วันถามว่าเอาคนจะได้กราบได้ไหว้ได้ทำบุญเอาพระาธาตุก็กระจายไปทั่วไปหมดก็ไปกราบเอาซิเนี่ยนะมันในที่นี้จึงหมายถึงอายุ ก, กับพระพุทธเจ้าแสดงโอมิติยาบเนี่ยนะนมิติยาบก็คือสัญญาณที่หยาบมาก จริงอยู่การให้สัญญาหยาบเกิดขึ้นนี้เป็นการอ้อนวอนการดำรงอยู่ตลอดกับทั้งสิ้นว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับคือเป็นการประกาศความเป็นผู้สามารถตั้งอยู่ตลอดกับด้วยอนุภาพแห่งการเจริญอิทธิบาทสีของตนโดยการอ้างข้ออื่นโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนอ น, อนุนอิทธิบาทสีอันผู้ใดผู้หนึ่งอบรมแล้วพันโอภาเสก็คือตรัสพระดำรัสให้ปรากฏ จึงอยู่พระดํำรัสที่ปรากฏนี้คือละคาปริยดาโดยอ้อมแล้วจึงทรงประกาศความประสงค์ของพระองค์โดยตรงทีเดียวเป็นการบอกตรงๆเลยนะถ้าขอร้องก็สําเร็จนะนะพระอนน์น่าจะขอร้องขอร้องว่ายังไงขอร้องว่าขอให้พระองค์ดํารงอยู่ในโลกต่อไปใช่ไหม ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าดํารงอยู่ตลอดกับขอพระสุคตดํารงอยู่ตลอดกับเถิดเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแทนที่จะขอร้องอย่างนี้ก็กลับไม่ได้ขอร้องเพราะมารเข้าสิงถ้าหากว่าพระองค์อยู่เนี่ยนะก็จะอยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกใช่ไหมเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชน โลกานุกรรมปายะเพราะอาศัยความอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกมีผู้ตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกเพื่อสรงเคราะห์สัตว์โลกเนี่ยสัตว์โลกจำพวกไหนโลกนุออโลปานุกรรมปายะเนี่ยนะโลกานุกรรมปายะเนี่ยหมายถึงสัตว์วตโลกคือผู้ที่สดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแทงตลอดคือดื่มน้ำอมฤตหมายคือว่าเน้นพิเศษคือผู้ที่จะบรรลุมรรคผล จิงอยู่พรมสิปโกดมีพระัญญาโกนธัญญะเป็นหัวหน้าแทงตลอดธรรมะด้วยเทสนาธรรมจักกับปวัตนสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ผู้แทงตลอดธรรมะจนกระทั่งแนะนำสุภัททะปริภาชกด้วยประการอย่างนี้นับไม่ได้แรกตรัสรู้แสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรจนถึงปริณิพานที่เมืองกุสินาราเนี่ยนะผู้ตรัสรู้ไม่ใช่นับหนึ่งนับปลอยนับพันนับแสนแต่ที่แท้ หาประมาณไม่ได้ยกตัวอย่างว่าเหล่าสัตว์ผู้ได้ตรัสรู้ในเวลาที่ทรงแสดงพระสูตรทั้งสสูตรเหล่านี้คือมหาสมัยสูตรมงโคลสูตรจุลราหุโลวาทสูตรและสมจิตรสูตรไม่มีเขตกําหนดเพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยเป็นปัจจัยแสดงธรรมเนี่ยนะการตรัสรู้ของสรรพสัตว์นั้นหาประมาณไม่ได้ สถานที่เกิดมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกหาประมาณไม่ได้ไเทวมนุษย์สานังแสดงว่าสถานที่ย่อมมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเฉพาะแก่เทวดาและมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้แม้สัตว์ที่เหลือมีหน้าและครุดเป็นต้นก็มีแต่เน้นพิเศษเพื่อจะแสดงพระพระบุคคลผู้มีปฏิสนธิที่มีเหตุ อันนะั้นคือสมควรแก่การบรรลุโดยทำให้แจ้งมรรคและผลจึงตรัสไว้แล้วอย่างนั้นเพราะว่าพวกอหตุกะปฏิสนธิไม่สามารถบรรลุได้เน้นพิเศษคือเทวดาและมนุษย์เป็นต้นนั้นสมควรที่จะบรรลุได้ทั้นการดำรงอยู่ของพระองค์ก็เพื่อเพื่อประโยชน์ให้เขาตรัสรู้ทีนี้ถามว่าเอาพระองค์ก็น่าจะอยู่เพื่อจะชี้ทางสวรรค์ให้เขาสิบอกว่าไม่ถึงฝีอะไรนะเฉพาะชี้ทางสวรรค์เนี่ยนะ ไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าก็าชี้ได้นะาคำว่าอัตถายะหิตายะสุขายะเนี่ยนะก็คือเพื่อประโยชน์แก่สมบัติในโลกนี้อัตถายะคือเพื่อประโยชน์อัตถายะเนี่ยนะประโยชน์ก็คือประโยชน์ในโลกนี้หิตายะเพื่อเกือ้อกูลเหตุแห่งสมบัติในโลกหน้าสุขายะก็คือเพื่อความสุขในพระนิานแสดงว่าถ้าพระองค์ดำรงอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์ในโลกนี้เพื่อประโยชน์ในโลกหน้า ขณะเดียวกันก็ยังเป็นปัจจัยแห่งความสุขในพระนิพพานถามว่าบทว่าตังเนี่ยนะตังเป็นนิบาตอธิบายว่าปุถุชนบางคนแม้อื่นคือผู้ถูกมารเข้าโดนจิตคือถูกมารครอบงำจิตไม่อาจจะรู้แจ้งได้ฉันใดพระอ น, นุ์ก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่อาจจะรู้แจ้งได้ จึงอยู่มารย่อมครอบงำจิตของผู้ที่และ ว, วิปลาสบางอย่างยังไม่ได้ส่วนบุคคลใดผู้ยังและวิปลาสสิบสองอย่า ง, ววาดางโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ไม่จำต้องกล่าวเลยขนาดพระทานนเนี่ยนะมารยังโดนใจได้ใช่จะกล่าวไปยายถึงปุถุชนทั้งหลายทั่วไปเพราะอะไรเพราะพระเถระวิปลาสิและ ว, วิปลาสสียังไม่ได้จิตของท่านจึงถูกมารครอบงา พระน น, นั้นยังละสุขวิปลาสไม่ได้ยังละละสุขภาพวิปลาสไม่ได้ uh, ทั้งที่เป็นสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสสัญญาวิปลาสว่าสุขสัญญาวิปลาสว่างามละไม่ได้จิตตวิปลาสว่าสุขจิตตวิปลาสว่างามเนี่ยสรุปว่ายังวิปลาสทั้งหมดสิบสอเนี่ยนะพระโสะดาบาันละไปแล้วแปดเหลือสี่พระนรยังละไม่ได้สี่ เพรา ะ, ะนั้นจิตของท่านจึงถูกพยามารครอบงำถามว่าก็เมื่ อ, อมาเนี่ยเมื่อจะครอบงำจิตเนี่ยทำอย่างไรตอบว่าแสดงรูปารมณ์ที่น่ากลัวหรือให้ได้ยินสัตทอารมณ์ที่น่ากลัวต่อแต่นั้นสัตว์ทั้งหลายได้เห็นหรือได้ยินอารมณ์ที่น่ากลัวนั้นแล้วก็ปล่อยสติคือตกตะลึงอ้าปากเนี่ยนะมานก็สอดมือเข้าไปทางปากของสัตว์เหล่านั้นแล้วก็บีบหัวใจ แต่นั้นสัตว์นั้นก็ถึงวิสัญยิสลบลงนะสลบเลยคือเร า, ว, าวิสัญย์หมายคือว่ากําหนดไม่ได้นะคล้ายๆอะไรนะเหมือนวูบไปพักหนึ่งนะคล้ายวูบไปหรือช็อกไปหรืออะไรอย่างไรอย่างหนึ่งไปส่วนมานั้นจักสามารถสอดมือเข้าไปทางปากของพระเถระได้อย่างไรมานี่ทําอย่างนั้นไม่ได้นะได้แต่แสดงอารมณ์ที่น่ากลัว พระเถระครั้นได้เห็นอารมณ์นั้นแล้วก็ไม่รู้แจ้งนิมิตมัวแต่สนใจอารมณ์นั้นเลยลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนั่นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทราบอยู่จริงๆพระองค์ก็รู้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้แหละเอารู้อย่างนี้แล้วเพื่อประโยชน์อะไรจึงตรัสเรียกอย่างนี้ถึงสามครั้งใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วแล้วพระองค์มาแสดงอย่างนี้ทําไมเหมือนกับเล่นละครตบตาเนี่ยนะทําไมอ่ะบอกว่าเพื่อกระทําความเศร้าโศกให้เบาบาง จริงๆเนี่ยเพื่อสงเคราะห์พระอนุนเนี่ยนะคือจริงๆพระองค์ไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้ไม่จําเป็นแต่เพื่อจะสงเคราะห์พระอนุน์เพราะว่าหลังจากที่พระ เ, เกิดพระองค์อธิษฐานอะไรนะปลงมายุสังขารเป่งคาถานเนี่ยนะแผ่นดินไหวมากพระอนุนก็เข้ามาขอร้องมานิมนต์ให้อยู่ต่อพระองค์ก็จะได้อาศัยเหตุการณ์นี้แหละมายกโทษพระอนุนใช่ไหมพระองค์ก็จะยกโทษว่าข้อนั้นเป็นการทําไม่ดีของท่าน ข้อนั้นเป็นความผิดของท่านในเมื่อท่านอ้อนอในเมื่อท่านอ้อนวอนว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระชนอยู่เถิดพระเจ้าคา้าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าพระอน์ น, นี้มีใจสนิทในเราอย่างเลือกเกินพระอน์ น, นั้นเป็นผู้ที่มีความรักมีความผูกพันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหลายชาติมากชาติแม้กระทั่งชาติที่เป็นนกเขาเป็นเนื้อเป็นหงอะรเช่นหงผู้อะไรนะ ผู้พักดีนะสุคุมาหงเนี่นะหงผู้พักดีเป็นต้นแม้มาเป็นมนุษย์ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันการรักกันมากเพราะฉะนั้นพระนรนี้ยังเป็นพระเสขะอยู่ยังไม่สิ้นราคะส่วนพระพุทธเจ้าสิ้นราคาแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ไม่อะไรหรอกแต่ว่าพระนรนสิอย่า น, นีมีใจสนิทในเราอย่างเหลือเกินต่อไปข้างหน้าเธอได้ฟังเหตุแผ่นดินไหวและการ p r o l อายุสังขาร จากอาราธนาเราให้ดำรงอยู่ตลอดกาลนานเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจากให้โทษตกลงบนศรีรษะของเธอเท่านั้นบอกนี่มันเป็นความผิดของใครนะถามว่าทำไมจะต้องทำอย่างนี้นะก็เพราะว่าโทษของตนเนี่ยนะสัตว์ตั้งหลายย่อมไม่เดือดร้อนว่าความผิดของคนในโลกนี้นะให้อภัยยากแต่ถ้าเรานะให้อภัยได้เสมอรันพระนนก็เหมือนกันเออเนี่ยเรื่องนี้เราก็ผิดเองนะเพราะเราไม่อาราธนา ไม่รู้จตมิตัวเองว่ายังไงนะก็เลยให้อภัยตัวเองได้ความโศกก็เบาบางก็ยังชั่วหน่อยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุให้ความโศกของพระอนนท์เบาบางแต่ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ตรัสอย่างไงนนะัพระอนนคงจะเสียใจอีกนานแต่ถึงกระนั้นก็น้ําตาคลออยู่นานนะพระอนนเนี่ยน้ำตาคลอไปจนถึงเมืองสาวัตถีหลังจากที่ประชมพระเพลิงเสร็จเนี่ยนะพระอนนก็ไปที่เมืองสาวัตถีใช่ไหม ไปที่นั้นก็ยังร้องให้อยู่เลยอ่ะยังร้องให้ปาดกวาดพระคันทกุูตีอยู่เลยจนเทวดาต้องมาเตือนอนะตอนนั้นก็เริ่มหายโศกหายเศร้าบ้างอะไรบ้างแต่ปกติท่านจะคิดถึงพระพุทธเจ้ามากนะคือในส่วนกุศลก็กุศลอ่ะในส่วนโศกก็โศกานะสลับเคล้า้ากันไปทั้งศรัทธาทั้งฉันทราคะทั้งอะไรก็พันทันกั่แถวนั่นแหละ บทว่าคัจฉาะะวังอนันทะเพราะเหตุที่ท่านมาในที่นี้เพื่อพักผ่อนในกลางวันฉะนั้นไปเถอะอนนท์ไปยังสถานที่ตามที่ชอบใจเพื่อพักผ่อนกลางวันนะไปหาที่ริกเกรนเจริญกรรมฐ า, านไปมานผู้มีบาปเพราะประกอบด้วยทําฝ่ายชั่วที่จริงมานนี้เคยอาราธนาแล้วใช่ไหมอาราธนาให้พระองค์ปรินิพานบอกว่ามานนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ต้นอชาปาละนิโครธผ่านไปเจ็ดวันณนะโพทิมณฑน ตอนนั้นกห็หลังที่พรหมรัตนานะหรือก่อนพรหมรัตนานี่ตอนนั้นที่ดาทั้งหลายของตนก็พากันถูกกําจัดความปรารถนาเสียแล้วก็พากันไปมาเนี่ยวางแผนว่าทํายังไงไม่ให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้คิดอยู่ตลอดนะก่อนหน้านั้นเนี่ยคิดยังไงจะว่าพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ต้องตรัสรู้หลังจากตรัสรู้แล้วก็ทํายังไงพระพุทธเจ้าจะรีบปรินิพานให้เร็วที่สุดเพราะเดี๋ยวจะช่วยพวกเราได้สําเร็จ นะเดี๋ยวจะช่วยเทวดาและมนุษย์ได้เนี่ยนะนะมานั้นก็เลยคิดอุบายนี้จึงได้มากล่าวว่าเขาคิดอุบายเลยว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นพระองค์บรรลุแล้วโดยลำดับสัพพัญยุตยานพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วพระองค์จะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในโลกดังนี้ก็เลยทูลอาราธนาว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดพระเจ้าค่า เหมือนกับในวันนั้นเหมือนกันก็แม้ไปขออาราธนาให้ปรินิพานเลยนะพระองค์ก็ตรัสห้ามมานห้ามมานว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนถึงพรมจรรย์ยังไม่แพร่หลายเหตุผลเหล่านั้นจะยังไม่ปรินิพานต่อเมื่อภิกษุเชี่ยวชาญได้รับการแนะนำถึงความกล้วกล้ากาจัดทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นหูสูตร เล่าเรียนพระพุทธพจน์ด้วยปิดกสามทรงธรรมมีการปฏิบัติธรรม น, นะนะผูสูตรก็คือรู้ปริยัติสดับปริยัติมามากปฏิเวทก็แทงตลอดแล้วพเพ้นคําว่าเป็นผู้ทรงธรรมเป็นต้นก็คือทรงปริยัติธรรมและปฏิเวทธรรมบทว่าธรร ม, มานุธรรมปฏิปันนาได้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสนาธรรมอันสมควรแก่อริยธรรมก็คือปฏิบัติอนุ ป, ปัสนาเจตสมควรแก่โสดาปฏิมักเป็นต้น สามีจิตปฏิปันนาก็คือได้แก่ผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสืบสืบกันมาโดยวิสุทธิอันสมควรแก่ญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิสุทธิที่เท่าไร่เป็นวิสุทธิที่เจใช่ไหมจะก็ต้องหกห้าสี่สามสองหนึ่งสีลวิสุทธิเป็นต้นจนสมควรแก่ญาณทัศนวิสุทธิคืออรหัตธรรม อนุธรรมมจริโนได้แก่ผู้มีปกติประพฤติธรรมมีความมักน้อยสันโดษเป็นต้นน่นะอันขัดเกล่าย่างยิ่งอันสมควรแก่ปฏิปทานั้นสกังอจริยกรรได้แก่อจริยวาทของตนอาจิคิ ส, สันติจักแสดงแต่เบื้องต้นอธิบายว่าจักให้ผู้อื่นเล่าเรียนโดยทำนองที่ตนเรียนมาเทเสสันติได้แก่จักบอกคือบอกบาลี น, นะบอก จักให้รู้ชัดแต่งตั้งเปิดเผยกระทำให้ตื้นะ น, นะโดยทําโดยเหตุแสดงทําให้สัปปาติหารังก็คือทำให้ออกจากทุกแสดงว่าแสดงธรรมแบบมีปาฏิหารก็คือแสดงธรรมแล้วกำจัดความทุกข์ได้ธมังเทเศตสันติจักยังหมูสัตให้ตรัสรู้คือจักประกาศโลกุตระทรเก้า ด้วยบท6บทเป็นต้นว่าปัญญเปสันติหมายถึงอัฏฐบท6 2 2บทข้างท้ายหมายถึงพยัญชนะบท6ด้วยลำดับเพียงเท่านี้คือพระพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกเป็นอันท่านสงเคราะห์แล้วโดยนิยะแห่งสังวน า, นาดังคำพีเนติปกรณ์เนติปกรณ์ในหน้าแรกเลยที่บอกว่าบท12บทจัดเป็นสูตรสูตรนั้นเป็นพยัญชนะหนึ่งและอัฏห น, นึ่งนะพระงก็คาว่าคาที่กล่าวว่า เรียนอจริยวาทของตนบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทําให้ง่ายแสดงธรรมมีปาฏิหารย่ายีด้วยดีซึ่งปรับปวติที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรมอันนี้หมายถึงสา ม, มารถแสดงพระตรัยบิดดกได้อย่างดีคําว่าพรหมจันทร์เนี่ยนะพรหมจันทร์ที่บอกว่าพรหมจันทร์ของเรานี้จักยังไม่เจริญแพร่หลายกว้างขวางคนส่วนมากยังไม่รู้ทั่วถึง ยังไม่แน่นหนาะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังไม่ประกาศดีแล้วเพียงใดเราจะยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นพญามาคก็อาราธนาก่อนปรินิพานว่าบัดนี้พรหมจาร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญแพร่หลายกว้างขวางคนส่วนมากรู้ทั่วถึงแน่นหนาะเทวดาและมนุษย์ประกาศดีแล้วข่าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานเถิดเหมืนกั้นคําว่าพรหมจารย์คืออะไร ปรมจริยังได้แก่าศาสนพรหมจรรย์ทั้งสิ้นที่สงเคราะห์ด้วยไตรสิกขาอธิจีอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาอีกทังได้แก่สำเร็จโดยฌานให้เกิดขึ้นนะถึงความเจริญแพร่หลายโดยฌานอภิญญาปฏิสธานอยู่ในที่สาภาคนั้นๆชนเป็นอันมากรู้กันตลอดนะด้วยอำ น, นาจการตรัสรู้ของชนเป็นอันมาก แน่นนะโดยอาการทั้งปวงตราบเ ท, าเท่าเทวดาและมนุษย์ประกาศดีแล้วเทวดาและมนุษย์ผู้มีชาติแห่งวินยูชนมีประมาณเท่าไหรเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นทั้งหมดประกาศดีแล้วสรุปว่าอยากให้พรหมจันทร์คือคําสอนที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาถึงความแพร่หลายไปจนถึงหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางนั่นเองทีนี้พระองค์ก็ตอบ เมื่อมารกราบทูลอย่างนั้นเสร็จพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเถิดไม่นานนักตถาคตจักปรินิพานแต่นี้ล่วงไปสามเดือนตถาคตจักปรินิพานเนีน <c oughs> บทว่าอโปโสุโ ก, โกคือหมดความอุตสาหะคือปราศจากความห่วงใยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาป ก็ตั้งแต่เจสัปดา์ล่วงไป น, นนะคือหลังจากตรัสรู้เจ็สัปดาใช่ั้มเธอเที่ยวขอร้องอยู่ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานณบัตดนี้เถิดขอพระสุขเจ้าจงปรินิพานณบัตดนี้เถิดบัตดนี้ตั้งแต่วันนี้ไปเธอจงปราศจากความพยายามเถิดจงอย่าทำความพยายามเพื่อให้เราปรินิพานเลยทำไมอะ เพราะพราะพระองค์ตัดสินใจแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารนณะปาวานเจดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรงอายุสังขารแล้วแผ่นดินใหญ่หวั่นไหวหน้าพึงกลัวโลมาชาติชูชันและกรองทิพกบลือลั่นคําว่าสโตสัมปชานโนอายุสังขานะรังโอดโอสัอ ช, ชิความว่า พระองค์นี้ดำรงสติมั่นแล้วกำหนดด้วยยานปลงคือละอายุสังขารในการปลงอายุสังขาร น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ปลงอายุสังขารเหมือนเอามือวางก้อนดินปลงอายุสังขารเหมือนยังไงเหมือนวางของลงจากมือใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระองค์เกิดพระดำริขึ้นว่าตลอดเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นเราจะเข้าสมาบัติ หลังจากนั้นก็ไม่เข้าการตัดสินใจว่าอีกสมเดือนต่อไปเลิกเข้าสมาบัตินั่นแหละเขาเรียกว่าปรงมายุสังขารแวตัดอายุชีวิตอินรีเนี่ยนะเห <c oughs> มือนกับถ้าเป็นแบบของเราก็คือตัดข้าวตัดน้ำตัดยาตัดออกซิเจนเป็นต้นเนี่ยนะจะเหลืออายุเท่าไหร่สมมตินคนไข้ปะอันนั้นก็กําหนดได้เลยใช่ไหมว่าหลังจากตัดแบบนี้แล้วเหลือเท่าไหร่ฉันใด พระองค์บอกว่าหลังจากนั้นอีกสามเดือนพระองค์จะเลิกเข้าสมาบัติเป็นต้นก็ประกาศว่าอีกสามเดือนจะดับขันปริณิพานก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าสามารถดํารงอยู่ตลอดกับหรือเกินกว่ากับจึงไม่ดํารงอยู่ตลอดกาลนานเพียงเท่านั้นทรงปรงอายุสังขารตามที่มารขอร้องเพื่อให้ปริณิพานทําไมต้องทําตามคําของมารด้วยมั้ เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงปรงอายุสังขารตามมารขอร้องที่ปรงนี้ไม่ได้ปรงตามคำของมารอะไรหรอกจากไม่ปรงอายุสังขารตามที่พระเทระขอร้องก็หาไม่ได้ไม่ใช่ไหมคราบว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมารบอกให้อ่ามารขอร้องให้ปรงอายุสังขารแล้วพระองค์ก็ปงตามก็ไม่ใช่ถึงพระอานนท์ขอร้องให้อยู่ต่อก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ต่ออะไร แต่ว่าหลังจากสามเดือนไปพระองค์ทรงปรงอายุสังขารเพราะพุทธเวไนไม่มีของเราใช่เลยไม่ใช่พุทธเวไนใช่ไหมพระองค์ดูแล้วไม่อยู่ในพระพุทธญาณที่พระองค์จะต้องสงเคราะห์เลยก็เลยตกค้างมาถึงบัดนี้นะใครน่าสังเวชต่อกันในระหว่างพระพุทธเจ้ากับเราเร า, เราเนาะ ธรรมดาว่าการดำรงอยู่แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายก็เพียงเพื่อจะแนะนําเวนยสัตว์เมื่อเวนยสัตว์หรือเวนยชนไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายจัดํารงอยู่ด้วยเหตุอะไรก็เมื่อสอนให้คนบนรรลุไม่ได้แล้วไม่มีผู้ที่จะบรรลุแล้วจะอยู่ทําไม ก็ถ้าว่าพระองค์จะเพ่งปริินพานตามที่มารขอร้องก็จะเพ่งปริินพานก่อนหน้านั้นทีเดียวอันึ่งท่านกล่าวความนี้ไว้ว่าจริงอยู่แม้ที่โพธิมณฑลมารก็ขอร้องไว้แล้วถึงการทำนิมิตโอกาสหรือโอพาสก็ทำเพื่อความโศกของพระอนนทเถระให้เบาบางนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทำก็เพื่อสงเคราะห์พระอนนท อีกอย่างหนึ่งการทำนิมิตโอภาสก็เพื่อแสดงพลังของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้มีอนุภาพมากอย่างนี้แม้ดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่ตามความพอพระทัยของพระองค์เท่านั้นแม้เมื่อจะปรินิพานก็ย่อมปรินิพานตามความพอพระทัยของพระองค์เหมือนกันแลคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้มีอนุภาพพระองค์ทำอะไรเนี่ยทตามความพอพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ ทำตามคนขอร้องหรือคนสาบแช่งคือพระองค์มีอำนาจอยู่ในตัวเองใช่ไหมคนมาขอร้องก็ไม่ใช่ว่าพระองค์จะทําเพิ่มขึ้นหรือคนมาแช่งแล้วพระองค์จะลดลงไม่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีทุกอย่างทําตามความพอพระทัยหมดเนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นผู้มีอนุภาพมากไม่ได้ขึ้นอยู่หรือขึ้นตรงต่อคนขอร้องถ้าหากว่าขึ้นตรงต่อคนขอร้องพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยนะ เพราะมีใครขอร้องให้เป็นพระพุทธเจ้าบ้างมีตอนบำเพ็ญบารมีเสร็จขอร้องให้ไปตรัสรู้มีอยู่ตอนนั้นตอนเดียวแต่ตอนบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหมดไม่มีใครขอร้องมีแต่คนห้ามอย่าเลยอย่าให้ทานเลยทําไมท่านจะต้องให้มากขนาดนะั้นมีแต่คนห้ามไว้ตลอดใช่ไหมเช่นจะให้ให้ช้างเป็นทานอํามาศขราชการก็มาห้ามอย่าเลยเพระองค์อย่าให้ช้างเป็นทานตอนให้ทรัพย์สมบัติให้อย่างอื่นเป็นทานทุกคนก็ห้ามห้ามห้าม โดยมากห้ามกันหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตอนโน้นบรรพยิบุญเต็มแล้วเออนิมนตให้จะตรัสรู้ได้แล้วว่างั้นมันก็อย่างนี้แหละเพราะนั้นพระองค์นั้นไม่ได้ขึ้นตรงต่อคนขอร้องหรือคนห้ามแต่ทําตามความพอพระทยัยใจของพระพุทธเจ้านี้เป็นใจชนิดไหนถ้าเกิดเราบอกว่าเออพระพุทธเจ้าเป็นคนทําตามใจพระองค์นะใจชนิดใดใจที่เป็นสัพพัญยุตยานเนี่ยนะ ใจที่ประกอบด้วยสัพพัญญุตญาณใจที่ประกอบด้วยมหาการุณาสมาบัติญาณเป็นต้นหลังจากที่พระองค์ดำรงสติสัมปชัญญะกล่าวว่ า, าคิดว่าอีกสามเดือนต่อไปไม่เข้าสมาบัติเนี่ยนะแผ่นดินก็ไหวแผ่นดินใหญ่ก็ไวหไวอย่างใหญ่หลวงหมื่นโล ก, กาธาตุก็หวั่นไหวทำให้เกิดความน่ากลัวกรองทิพย์กบลือลั่น ฟ้าขอ้อขนองสายฟ้าอันเกิดแต่เวลาม่ใช่ฤดูการก็แลบแรบแร บ, รบอธิบายว่าฝนตกชั่วขณะหลังจากนั้นพระองค์ทราบเนื้อความคือทรงรู้อาการทั้งปวงแห่งอัตตนี้กล่าวคือความพิเศษแห่งสังขารและวิสังขารว่าความเป็นไปของสังขารเป็นอย่างไรวิสังขารคือพระนิพพานที่สงบระงับดับสังขารเป็นอย่างไร พระองค์ก็เปล่งอุทานแสดงถึงการที่พระองค์สละสังขารไม่มีเหลือใจของพระองค์ก็ถึงวิสังขารคือพระนิพานเพราะเหตุดไดพระองค์จึงทรงเปล่งอุทานทำไมต้องเปล่งอุทานด้วยล่ะเพราะเชื่อว่าใครๆจะพึงกล่าวว่าพระองค์ถูกมานติดตามไปข้างหลังข้างหลังแล้วรบกวนว่าจงปรินิพานเถิดจงปรินิพานเถิดพระเจ้าค่า จึงทรงสละอายุสังขารเพราะกลัวมารเดี๋็กคนจะตําหนิเห็นไหมพระพุทธเจ้ายังกลัวมารเลยเห็นไหมสละชีวิตตัวเองเลยเพราะกลัวมารก็เชจะตัดคําพูดประเภทนี้ซะเพราะใครพูดแบบนี้นี้เป็นยังไงเสียหาใช่ไหมเพราะว่าถือว่าหมิ่นพระพุทธเจ้าเพื่อจะแสดงเนื้อความนี้ว่ามารนั้นจงอย่ามีโอกาสเพราะธรรมดาว่าผู้กล่าวย่อมไม่มีการแต่งอุทาน พระอัตถกถาจึงกล่าวไว้ในอัตถกถาว่าทรงเปล่งอุทานอันเกิดจากปีติคือปกติเนี่ยมีใครบ้างรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วดีใจมากเลยนะนั้นคําพูดที่ดีใจอันนี้แสดงว่าไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครเลยเนี่ยนะนะก็โดยที่พุทธกิจจะสําเร็จเพียงเวลาสามเดือนเท่านั้นเหลื อ, อีกสามเดือนพุทธกิจทุกชนิดจบหมดเลยเมื่อนั้นพระองค์ก็เห็นว่าเราบริหารภาระคือความทุกข์อันนี้มานานอย่างนี้นะนะ บริหารอุปาทานขันห้ามานานใช่ไหมคือขันห้าที่เกิดจากอุปาทานสรีระยนต์มีจักรสีทวารเก้าเนี่ยดำรงบริหารมานานเอกไม่นานแค่สามเดือนก็จักปล่อยวางดังนี้นะวางแบบไม่ต้องถือเอาเลยเรียกว่าทิ้งภาระอันนี้แล้วไม่ถือเอามาหาภาระอีกต่อไปแล้วเกิดปีติปราโมทอันยิ่งจึงเกิดการพิจารณาคุณแห่งพระนิพพานเหมือนควรจะกล่าวว่าเป่งอุทานด้วยกําลังปีติ จึงอยู่พระศาสดาทรงน้อมไปในวิสังขารคือพระนิพพานเป็นอัธยาศัยโดยส่วนเดียวใจของพระองค์เนี่ยไม่น้อมไปหาสังขารแม้แต่สังขารเดียวทําไมอ่ะก็ะสังขารเนี่ยก็ใครที่กล้า บ, บอกว่าสังขารทุกสังขารเนี่ยนะอันนีจโตทุกขโตโรคโตนัตโตเป็นต้นใช่ไหมสังขารทุกชนิดก็ไม่เที่ยงอันตัดใจปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเป็นต้นจนถึงสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปกับ ชาติชรามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและปุปายาตเนี่ยนะสังขารทุกชนิดนำมาซึ่งความโศกพันก็เห็นโทษของสังขารน้อมไปหาวิสังขารน้อมไปหาพระนิพพานใจของพระองค์เนี่ยน้อมไปอย่างเดียวคือพระนิพพานเขบอกว่าใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายโดยเฉพาะพระอรหันเนี่ยนะอรหัตทิปติของท่านเนี่ยคืออรหัตตมรักอรหัตตผลและนิพพานเท่านั้นน่ อย่างอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องเด็กๆของท่านสมมัมหมดเลยนะเป็นเรื่องของมันอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในโลกของปุตุชนอะไรก็ตามเถอะแต่ท่านมองว่าเรื่องเด็กๆเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่อะไรที่ท่านจะต้องไปฝากใยสิ่งที่ท่านฝากใยคือพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นที่พระองค์ดํารงอยู่ในโลกตลอดกาลนานเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ที่ดํารงอยู่ทั้งหมดก็เพื่อ ดำรงอยู่ก็เพราะการุณาเหมือนดำรงอยู่ในโลกโดยพระาการจริงอย่างนั้นพระองค์ทรงใช้สมาบัตินับได้สองล้านสี่แสโกธทุกวันสองล้านสี่แสโกดเนี่ยนะไม่น้อยเลยเนาะบัดนี้พระองค์บ่ายพระพักต่อพระนิพพานเพราะอธิการอันประกอบด้วยพระการุณาสำเร็จแล้วจึงเสวยปีติและโสมนัสไม่ใช่น้อย กิจแห่งกรุณาที่ได้ตั้งไว้เนี่ยนะกิจอันนั้นสํสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยนะพระองค์มีใจน้อมไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวแต่ด้วยอนุภาพของกรุณาไม่สามารถที่จะไม่สอนผู้อื่นได้ปฏิเสธที่จะสอนผู้อื่นไม่ได้ก็เพราะแรงแห่งกรุณาเมื่อกิจของกรุณาเนี่ยนะทำสำเร็จแล้วว่าผู้ที่จะบรรลุมีเท่านั้นจริงๆ เพราะเกินกว่านั้นถึงกรุณาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยกรุณาก็ต้องเป็นไปตามปัญญาฉะนั้นปัญญาก็เลยดีใจบอกว่าเรียบร้อยแล้ ว, วนะไม่มีภาระอีกต่อไปก็เลยปีติโสมนัตดีใจมากที่จะได้วางภาระสัทีก็เพราะเหตุนั้นรัศมีแห่งพระรูปโฉมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงผ่องใสบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นวิเศษแม้ในวันดับขันปริญิพานเหมือนในวันดับกิเลส พระพุทธเจ้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขในวันตรัสรู้ฉันใดวันปรินิพานก็ฉันนั้นมีความสุขเท่ากันเลยนะคนเราโดยมากตอนเด็กๆก็ดีใจยิ้มแพ้เลยนะตอนเกือบตายนี่เฉาไปหมดดูของใครจะยังยิ้มนะะลมเฮือกสุดทา้ายก็ยังยิ้มอยู่นั่นแหละนะสมนัตมีอะไรเป็นอารมณ์นาะจึงจะสมนันะ ทำอุทานที่พระองค์อุทานว่ามูนี้ได้ปรงเครื่องปรุงแต่งพบอันเป็นเหตุสมภพทั้งที่ช่างได้และช่างไม่ได้ยินดีแล้วในภายในมีจิตตั้งมั่นได้ทําลายกิเลส ท, ที่เกิดในตนเหมือนทหารทําลายเกราะฉะนั้นอธิบายว่าในหน้า594ย่อหน้าอธิบายว่าตุละตุละหมายถึงกา ม, มาวาจรกรรมเพราะช่างได้นะคือกําหนดได้โดยภาวะ ประจักษ์แม่แก่สุนัขบ้านและสุนัขขิงจอกเป็นต้นมันเล็กน้อยนะมันช่างได้มันนับได้หมูหมากาไก่ก็รู้ก็เห็นไอตุละคือกามาวจรนะนะกามาวจรเนี่ยส่วนมหคตกรรมชื่อว่าอตุละเพราะช่างไม่ได้หรือไม่มีโลกิยกรรมอื่นที่ช่างได้คือไม่มีโลกิยะอื่นที่จะไปเสมอเหมือนเพราะยิ่งใหญ่มากกามาวจรกรรมหรือรูปาวจรกรรมชื่อว่าตุละ อรูปาวจรเชื่อว่าอัตุละเนี่ยนะอัตุละแปลว่าไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่าเนี่ยนะก็เขาก็มีการเปรียบเทียบนะหรืออีกในหนึ่งกรรมที่มีวิบากน้อยชื่อว่าัตุละที่มีวิบากมากชื่อว่าอัตุละสัมภังก็คือเหตุแห่งการเกิดคือทําให้อุบัติเกิดภาวะสังขารังก็คือทําสังขารในภพใหม่ให้เกิดอวัตชัสเซได้แก่ปล่อยวางสรุปว่าพระพุทธเจ้าปล่อยวาง เจตนา29หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลย น, นะปล่อยวาง น, นะนะคำว่าวางเนี่ยวางไงก็คือตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดเพื่อการเกิดในภพใหม่มุนีคือพระพุทธมุนียินดีในภายในะ น, นะภายในด้วยอำ น, นาจสมาธิมีจิตตั้งมั่นโดยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิความที่พระองค์มีสมาธิเป็นต้นก็ทาลายทาลายอะไร ทำลายกิเลส ท, ที่เกิดภายในตนเหมือนทหารทำลายเกราะอธิบายว่ามุนีปล่อยวางโลกิยากรรมโลกิยากรรมนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ยีใช่ไหมกล่าวคือกรรมที่ชั่งได้และชั่งไม่ได้อันนามว่าสัมภาวะเพราะอาจว่ามีวิบากเชื่อว่าภาวะสังขาระเพราะอาจว่าปรุงแต่งพบปล่อยวางเจตนา29ที่นําเกิดในพบใหม่หมด ยินดีในภายในมีใจเป็นสมาธิโดยอุปจาระและอัปปนาทำลายกิเลสที่มีตนเป็นแดนเกิดเหมือนทหารผู้ใหญ่ทำลายเกราะในสนามรบฉะนั้นเนะชื่อเชื่นตัดกิเลสได้สิ้นเด็ดขาดหมดพูดอย่างก็บอกกิเลสต้องฆ่าให้ได้นะเชื่อเวลากิเลสบันเกิดนะเอาไว้ก่อนไยอมจำนนหมดนะ อีกในหนึ่งนะตุลังได้แก่ช่างคือพิจารณาอยู่อตุลันจะสำวาวังคือพระนิพพานได้พบภวะสังขารังได้แก่กรรมอันนำสัตไปสู่พบอวัอวสัตชิคือมุนีความว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีเนี่ยทรงพิจารณาโดยในเป็นต้นว่าเบนจขันไม่เที่ยงการดับเบนจขันคือพระนิพพานเนี่ยเที่ยง ก็บอกว่าท่านสังขารอุปาทานขันห้าไม่แน่หรอกไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงแต่ถ้าดับขันห้าได้นี่สิ่งมั่นคงแน่นอนเห็นโทษในภพและเห็นอนิสง์ในพระนิพพานนะคือคนที่จะบรรลุมรรคผลได้นี่จะต้องช่างสองอย่างนี้อย่างอย่างดีเลยนะเกิดกับไม่เกิดนี่มันดีต่างกันอย่างไรแกกับไม่แกไหนดีกว่ากันตายกับไม่ตายไหนดีกว่ากันเกิดแกเจ็บตายกับไม่เกิดแกเจ็บตายไหนดีกว่ากัน ก็บอกว่า rika. พวกที่เกิดด้วยบุญเนี่ยนะก็บอกว่าเออไม่เกิดดียังไงไม่เกิดก็อดความสุขสิอดเที่ยวสิถ้าไม่เกิดในสวรรค์ก็อดมีความสุขสิใช่ไหมก็บอกถ้ามันไม่เกิดในสวรรค์ไปเกิดในรกกับไม่เกิดไหนดีกว่ากัน <Yea. S 1> ไม่เกิดดีกว่าเป็นต้ น, นนะพอบอกเอาอบายมาเปรียบแล้วบอกไม่เกิดจะดีกว่าเป็นต้ น, นเนี่ยนี่นนะมันก็ที่เรียกว่าชอบเป็นบางอย่างชังอีกหลายอย่างเนี่ยนะถ้ายังชอบยังชังอยู่ก็อด มันจะต้องเห็นโทษของสังขารเห็นอนิสงของพระนิพพานทรงปล่อยวางสังขารกรรมอันเป็นมูลแห่งขันทั้งหลายถ้าชาติจะดับเพราะอะไรดับเพราะสังขารคือกรรมมพบดับกรรมมพบจะดับก็ต้องด้วยอนุภาพของอริยมรตที่ทําลายกระทําความสิ้นไปแห่งกรรมท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นถ้า อุปาทานดับกรรมก็ดับใช่ไหมถ้ากรรมดับพบใหม่ก็ดับเป็นต้นนั้นพระองค์นีได้ทําลายอย่างนั้นแล้วท่องทําอย่างไรคือท่านยินดีในภายในมีจิตเป็นสมาธิได้ทําลายกิเลส ท, ที่เกิดในตนเหมือนทหารทําลายเกราะก็ท่านยินดีในภายในโดยวิปัสสนา มีจิตเป็นสมาธิโดยสมรถรถรวมความว่าท่านทาลายกิเลสทั้งหมดที่รัดปรึงอัตภาพอยู่อันได้นามว่าอัตตะสัมภะเพราะเกิดในตนทำลายด้วยพลังแห่งสมรรและวิปัสนาตั้งแต่ส่วนเบื้องต้นเหมือนทหารทำลายเกราะฉะนั้นและเมื่อไม่มีกิเลสอันเป็นชื่อว่าเป็นอันชื่อว่าสละกรรมได้เด็ดขาด ถ้าไม่มีกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมใช่ไหมถ้าสิ้นกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็ต้องไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไปเพราะสละกรรมและสละกิเลสท่ปนปฏิสนธิไม่มีก็เพราะหมดกรรมแะกิเลสพราะในสามอย่างนี้อะไรควรฆ่ากรรมวิบากกิเลสกิเลสถ้าทำลายกิเลสซะอย่างเดียนเนี่ยนะตัดเยื่อใยซะถ้าตัดเยื่อใยที่มันไม่ใช่เยื่อใยมันผูกไว้เฉพาะหน้าใช่ไหมไม่ใช่ตาเยื่อใยแค่ตาผูกไว้กับสี ถ้าเยื่อใยที่มีแค่ตาผูกไว้กับสีหูผูกไว้กับเสียงแค่นั้นก็ไม่เท่าไรแต่ปัญหาว่ามันผูกไว้กับพบด้วยสีเนี่ยนะมันผูกไว้ตาตาชอบสีก็จริงอยู่แต่ว่ามันผูกไว้ที่อบายอย่างไงีนน้อันนั้นแหละมันเสียหายท่านจเป็นจึงต้องตัดฉันธราคา้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปล่อยวางสังขารในพบณควงโรพพฤกนั่นเองแม้ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเครื่องซ่อม พรองก็ซ่อมแซมร่างกายด้วยสมาบัติใช่ไหมเหมือนทำเกวียนเก่าให้เป็นไปได้ด้วยเครื่องซ่อมแซมจึงทรงปล่อยวางอายุสังขารด้วยพระหฤทยัยทําให้เกิดว่าถัดจากสามเดือนนี้ไปเราจะไม่ให้เครื่องซ่อมแซมคือสมาบัติแก่สังขาร น, นี้นะเลิกให้เลิกให้อาหารนะถ้าอีกสามเดือนจะตัดอาหารจะปรินิพานแล้วพระองค์ดีใจมากแต่คนหมดบุญทั้งหลายก็ แต่คนไม่ค่อยมีบุญก็เศร้าใจเนี่ยนะโอ้ยดวงอะไรนะดวงตาของโลกดับไปแล้วเนี่ยนะจับพระองค์ผู้เป็นจักรสุขของโลกดับไปแล้วเทวดาบอกแม่บุญน้อยเหลือเกินพระองค์เนี่ยเกิดอยู่ในโลกแค่ช่วงไม่นานแต่ตอนนี้เนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยคำสอนแพร่หลายกว้างขวางมากเลยนะถ้าสมัยนี้ล่ะแพร่หลายกว้างขวางหรือไม่ที่จริงถ้าใครจะสังเวชนะสังเวชสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพานกับสังเวชตอนนี้ไหนหน้าสังเวชกับกัน สะอาดทุกคพูดจริงเออหนึงก็บอกยุคนี้น่าสังเวชกว่าเยอะเนี่ยนะสมัยนั้นนี่คำสอนแพร่หลายกว้างขวางพระผู้ทรงพระไตยไปดกเต็มไปหมดเลยนะคุูชุดราอุบาสิกาก็แสดงธรรมะเก่งสมัยพุทธกาลเนี่ยคนเก่งคนดีพระอริยะเต็มไปหมดเลยมีเป็นสแสนๆเนี่ยนะสมัยนี้ก็แท้จริงก็ไม่รู้ว่ากันไป